ถ้าความรอบครอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนําไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกันความรอบครอบข้างนอกมีมากที่จะนําไปแก้กาภายในก็ต้องมีมากและมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำหนักนี่มันส่อ ถ, ถึงการอยู่เสมอการแสดงแสดงออกมาภายนอกเป็นปรเรื่องประกาศ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 ขอเรามีความเพียรปราบยิเลียดตัวเร็จแทงอยู่โดยสม่ำเสมอยี่เลียดตัวไหนจะมาเจ็ดแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลาบากจะทำให้จิตเป็นไข่เหมือนนังกายเป็นไข่โดยยี่เหลียดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบยี่เลียดอยู่ตลอดเวลาท่านบำเพ็ญครูบาอาจารย์พูติกาได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมาก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 เก็บนั่นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดยวกรหายเก็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพราราฮเวปันจักขั้นฐาน ม, มันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักก็อุปท า, านเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพระาะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัว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 ว, ว่าแ่เขอเมตต์มันอย่าก่อขวรเ น, น่ยตัวนี้ก็เป็นตัวของมตต์ตัวหนึนน่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีภายใจิตใจของเราจะสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาเพียง เ, เล็กเล็กน้อยน้อเนี่ยมันพยายามมาทําลายมาจีดมา ก, กันเรื่อยไปนี่เนี่ยตัวสําคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัศน์มันอยู่ภายใน จ, จิตใจถึงพยายามปราบ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 ท่านก็ยกขึ้นเป็นจมุติตว่าถึงแดนเกษตเหมือนว่าก้าวไปถึงแ ด, ดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นค่าสิจิ์ตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกษสมขึ้นมาแในตัวเองอันนี้แดนแดงถึงหมดทานี้